ทำมหลวงพ่อไปฟังของครูบาจารย์เราต้องจบเอาเองม็นนั่งหัดในถูกด้านดาวคุณดำเกินที่ดำเกิต้องกลับเร็วหมหต้องกลับดูเร็วไหม ใ, หใครบอกกูบ้า <c oughs> ไงไปมุนเยววาวราชเป็นไงบ้างอืมได้ความสบายติดตัวมานะดีแนละ้วทำไมหลวงพ่อไปฟังบอกครูบาอาจารย์แล้ต้องจับเอาเองไปนั่งหัดในถูกดา้านหลังคุณดำเกินที่ดับสื่อนะต้องกลับเร็วไหม ต้องกลับสู เ, เร็วไหมบอกไม่ไม่เลยไม่ใครบอกที่นี่ตัต้ไงสปมุนเดว่ า, าดเป็นไงบ้างได้ความสบายปิดตัวมานะดีละหัว <c oughs> ข้อเลยพลายสบายไปด้วยก็คือติดนี่อือต้องไม่เคลียน ปฏิบัติทำถ้าเครียดก็ฝึกผิดแล้วแต่ว่าจิต ท, ที่ใช้เจริญสติต้องเป็นมหากรุสโลจิตจิต ท, ที่เบิกบานเบาผ่องใสนุ่มนวลจิตกระด้างกระด้างแข็งแข็งไม่ใช่ของจริงมันอากูสนแล้วอกสนต้องเบาเหนูเครียดนะ เนธนาทางกายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติ ตัดเนีนะ่มันไม่ได้ตัดตัวเวทนามันตัดจิตที่ยิน ด, ดียินร้ายกับเวทนาตัดความยิน ด, ดียินร้ายมันไปเวทนามันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์แต่ถ้าจิตทรงอยู่ในสมาธิก็ตัดได้ีนี่เราไม่ได้เล่นเรื่องสมาธิเราไม่ได้เรียนเรื่องตัดเวทนานุ่มๆนั่งสบายๆนะเรื่องตัดประมฐานนั่นเลยรก็ได้ ทางตำรวจเลยจริงครับทางตำรวจเด็กๆนี่เขาไปภาวนากันมาเรียนภาวนาแูผ่องใสกันดีอย่างนี้ค่อยเอาบุญมาฝากหลวงพ่อหน่อส่วนบ้ากมันจะเอาบาปมาฝากเนาะถวายข้าวของถวายตัดใจร้อมด้วย ว่ามวุ่นวาย <c oughs> ทำไปไปชนบุรีส่งไปวัดพระนทร์สั น, นท่านใจดีวัดท่านมันใหญ่ด้วยเป็นป่าเป็น ม, มีเนินด้วยมีเขาอยู่หน่อยนึงปเขาม่ะเขาลักสารค่ะไม่ใช่นี้อยู่ทันหลงใหญ่ <c oughs> เวทนาเกิดห้ามไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คือทางเวลาเราปฏิบัตินะแต่เดิมเราก็จะลงผิดว่าเราปฏิบัติให้มันมีความสุข <c oughs> เราเห็นว่าในโลกนี้มีทั้งความสุขและความทุกข์เราก็จะพยายามหลกไปตรงทุกข์เพือเอาตรงสุขดิ้นไปเรื่อยๆเวลา เจอความสุขก็พอใจเลือนเจอความทุกข์ก็พยายามจะหนีทุกกายทุกใจมีสองดาทางกายเราก็อยากจะไปเห็นอยากได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสที่มันดีดีหนีที่ไม่ดีเวลาเจอของไม่ดีเราก็หวังว่าถ้าหนีอันนี้ไปได้แล้วจะได้ไปเจอของดีเราลืมไปอันหนึ่งว่าต้นต่อ ตัวหัวโจกเลยมันไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ท่างกายเราเนี้ยก็ไม่ใช่ของดิบเดียอะไรไม่มีความสุขจริงร่างกายเนี้ยโอ้ยมีแต่ความทุกข์จิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจก็เที่ยวหาอารมณ์ที่เป็นสุขร่างกายของเราเราก็อยากให้ร่างกายเราได้แต่อารมณ์ที่เป็นสุขร่างกายจิตใจอยากจะเอาแต่สุขไม่เอาทุกข์ แล้วที่ใจเราติน้นรดไม่เลิกเนี่ยเพราะเราอยังหลงผิดว่าสุขมันมีอยู่งั้นเจอทุกข์แล้หลบไม่ดีเหอะเนี๋ยวเราจะเจอสุขถ้าศึกษาศา ส, สนาพุทธอย่างถึงแก่นจริงๆเราจะพบว่าเราหลบหลีกไปไม่ได้งานเพราะตัวเราเองเป็นตัวทุกข์ร่างกายจิตใจของเราเองนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทุกข์นะอย่าซุ่มไปหา ของอร่อยที่สุดมากินร่างกายก็ยังมีความทุกข์ อ, อีกของที่อร่อยที่สุดไม่ได้ทำให้ร่างกายมีความสุข ไ, ได้ถาวรอะไรรูปที่สวยที่สุดไม่ได้ทำให้ร่างกายมีความสุขอารมณ์ที่ดีก็าไม่ได้ทาให้จิตมีความสุขถาวรได้เพราะจิตไม่เที่ยงถ้าเราเข้าใจว่าร่างกายจิตใจของเราบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน ก็ค่อ่คลายความยึดถือมันไม่จะไม่ไปดิ้นหาความสุข <c oughs> แล้วก็ไม่ดิ้นหนีความทุกข์แต่ไม่ใช่โง่แช่ความทุกข์หรืนะไม่ใช่นั่งภาวนาโมดจัดให้มันกลัดไปไม่ใช่กายเราเนี่ยง้อเกินไปแล้วสุดโต่งไปแนนทำแล้วรู้ไหมหนูไม่รู้เลยว่าทำ แนนรู้สึกไหมว่าใจไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ได้ทําอ่ะใจมันนิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้ออกไหมเนี่ยนะพยายามสังเกตสภาวะจริงๆตัวนี้ให้หออกแนะววิปัสนาจะทําได้ต้องเห็นตัวสภาวะทำจริงๆแต่เราไปตั้งใจขึ้นมาต้องรู้ว่าตั้งใจเลยตั้งใจแล้วเกรงขึ้นมาแข็งๆทุกเป็นไง โอ้ยหล่นแต่นักปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่เนอะมนีนี่ไม่ค่อยปฏิบัติดีสองคนนี้ยังปฏิบัตินี่พวกปฏิบัติสามคนแถวหน้าเนี้ยนะนี่แคใช้ได้เนอะโยรียบทำไม่ทำเป็นไม่ปฏิบัติอย่างา <c oughs> <c oughs> มันสังเกตอยู่รู้ไหมพยายามสังเกตอยู่รู้หรือเปล่า การที่จงใจจะรู้อารมณ์เนี่ยนะก็ปรุงแต่งล้วเพราะฉะนั้นการรู้อารมณ์นี่ยนะครูปาอาจารย์ท่านบอกให้รู้สบายสบายนะรู้หวานหวานรู้เย็นเย็นรู้สบายสบาย <c oughs> แต่ไม่ใช่รู้เพลินเินนาะรู้เพลินเิ น, เ, นเหนื่อยใจลอยทําอะไรนี่ ไม่เคร่เครียดเครียดรู้ไหมเครียดรู้ว่าเครียดโยนมันทิ้งไปทําไมเครียดละ่ะกลัวผูกบอกว่าไม่ดีเดี๋ยวหน้าตาของเราจะแตกเหนือเบื้องหลังมันเดะเดี๋ยวเราเสียหายอายเขาครูบาอาจารย์ชมเแล้วก็สบายใจมีเยอะนะมาหาครูบาอาจารย์กลัวครูบาอาจารย์บอกว่าผิด ทำไมก่อนไม่อย่างนั้นนะเราไปหาครูบาอาจารย์เราไปเรียนจากท่านเนี่ยไปถามเลยว่าผมคิดอะไรทุกวันเนี้ยที่ผมปฏิบัติอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์สอนเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี้ผมไม่ทําอย่างนี้ทําอยู่เนี้ยมันถูกหรือมันผิดถ้ามันิดให้ท่านช่วยบอกให้หน่อยถ้ามันถูกแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้มันดีกว่านี้นี่หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ถามอยู่แค่นี้นะไม่มันนั่งถามหรอกผมเห็นนรกแล้วจะทํายังไง ไอสิ่งที่เห็นนิมิตเนี่ยของจริ ง, ง, รงหรือของปลอมผู้เรื่องหลายสารัพูด ท, ทำไมเสียเวลาถามอยู่ประโยคเดียวเหมือนเหมือนกันทุกคราวเลยหลายปีถามอยู่แค่เนี้ยที่หลวงปู่สอนผมมาอย่างนี้ผมทําอยู่อย่างนี้ถูกหรือผิดถ้าผิดเนี่ยช่วยแก้ให้หน่อยขอความกรุณาพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยแก้ให้หน่อ ย, อออาา ย, ย, อยถ้าถูกแล้วผมจะทำยังไงให้ดียิ่งกว่านี้ ให้เจริญกว่านี้ไปกี่ทีกี่ทีถามอยู่ประโยคเดียวถามอยู่เรื่องเดียวเนี้สามเดือนสี่เดือนไปถามผิดครูบาอาจารย์ก็บอกว่าถูกแล้วทําต่อไปอย่าทาอะไรมากกว่านี้นะไม่ให้ไปทําอะไร น, นันนะเราก็ไปสงสัยทีเฮ้ผมก็ทําอยู่อย่างนี้ตั้งนานนะไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเลยผมต้องทําอะไรอีกไหม บอกไม่ต้องนะถ้ารู้แล้วอย่าไปทำอะไรอีงเดี๋ยวเสียหายหมดไม่ไปหาครูบาอาจารย์ถามแค่นี้พอแล้วของเราจะมีปัญหาเยอะแต่ละคนใช่ไหมบางคนนะริสมายี่สิบคำถามมีผู้หญิงเป็นเยอะผู้ชายไม่ก็เขียนผู้ชายจะมีจดมาสองสามคำถามผู้หญิงมียี่สิบาถามมีคนหนึ่ง หนูขอนุญาตหนูมียี่สิบห้าคำถามบวกหนูเก็บคำถามแล้วกลับบ้านไปแล้วก็ไปดูว่ากำลังสงสัยอยู่ทำใจสบายค่ปฏิบัติเราจะเรียนรู้ความทุกข์นะไม่ใช่ทำตัวเองให้มันทุกข์ตัวเองตรงไหนที่มันทุกข์ารู้ไหมจิตใจเป็นทุกข์รู้ไหม ร่างกายเป็นทุกข์ะรู้ไหมนี่ไม่มีอยู่สองร่ไม่กายก็ใจเป็นทุกข์งั้นความทุกข์เกิดที่ไหนก็รู้ทันมันลงไปเลยใจเป็นคนทุกข์ละร่างกายทุกข์หรือว่าเราทุกข์ดูออกหมกายทุกข์แต่เราไม่ได้ทุกข์หรอก <c oughs> นี่หันแจ้งอย่างนี้นะเนี่ขันแจ้งอย่างนี้เรียกว่าปฏาิบัติแยกอย่างนี้ก็เรียกว่า ถ้าตามตำราเขาเรียกนารูปอริเตทยานเป็นวิปัสสนาแล้วนะเห็นโอ้ยความทุกข์เกิดขึ้นมาร่างกายทุกข์นะเราไม่ได้ทุกข์หรอกร่างกายเขาทุกข์ของเขาดูไปดูไปกายเขาไม่ทุกข์แนฮะความทุกข์เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่กายก่าเคยขึ้นไปกราบหลวงปู่ทิพย์อา ที่คนหนึ่งไปผู้หญิงอายุมากแล้วจะเกษียณแล้วแล้วก็พี่ผู้ชายอีกคนเป็นผู้ใหญ่ของการไป็นป้าน่า ข, าขันหลบดูเปะท่าพไปกราบหลวงปู่ศิลป์นะท่านก็เอานั่งขัดสมาธิเพชรใครนั่งด้วยมั้ง <c oughs> <c oughs> นั่งซ้อนควายโอ้ยนั่งยากเมื่อยเจ็บ ไ้กันสิบกว่าคน น, ะนั่งกึดนไปได้สองคนหลวงพ่อกับพี่ยืนยงที่อยู่การไฟฟ้านอกนั้นไม่ไหวขยับเต็มแต่แล้วหลวงปู่อ้าวเก่งนี่คนนี้นั่งได้ตลอดสมพี่ยืนยงโอ้ขาันปวดมากเลยครับหลวงปู่เนี่ยผมก้องปวดขามากเลยแนตะ่ผมทนหลวลงปู่ยิ้มยิ้มขามันปวดเหรอหรือว่า เราปวดเราปวดครับเนี่ยผมเนี่ปวดแล้ยขามันไม่รู้เรื่องหรอกผมเนี่ยปวดเอ้าผมปวดแล้วขาก็ไม่เห็นบวดเลยแล้วคุณจะมาปวดอะไรไฟๆหัดแยกไปนะความปวดส่วนหนึ่งร่างกายส่วนหนึ่งจิตใจที่ไปรู้ความปวดก็อยู่อีกส่วนหนึ่งพอจะดูออกไหมนีม่หนูหัดแยกไปได้หนเดินเข้าไปตรงนี้เลยก็ได้ เนี่ยอยู่ๆเราทำความรู้สึกตัวขึ้นมาได้ไม่คัดเราปลอมเราชับปลอมตัวทำํำใจให้นิ่งนะเราดูของสิิงลงไปเลยร่างกายมันเมื่อยตรงไหนดูมันลงไปเลยเมื่อยเมื่อยไม่ใช่เราหรอกเห็นไหมเมื่อยมันอยู่ที่กายถ้าหนูดูต่อไปอีกทีหนึ่งตอนนี้เริ่มเมื่อยบาอย้างยังขาเริ่มเมื่อยบาอย้างยังหนูต้องเป็เกลือว่าให้ความเมื่อยเป็นจิตหรือเปล่า จิตมันรู้ว่าเมื่อยใช่ไหมเรนนี่ยหัดแยกเย่างนี้แล้วดูดต่อไปอีกทีสิขามันเมื่อยหรือว่าความเมื่อยมันจะแอบอยู่ในขาดูออกไม้มว่าขากับความเมื่อยอันเดียวกันหรือคนละหันอันนีมันรู้เนต่อมาแล้ววิ่งดูของจริ ง, <ด>รงสิงงต้องไปดูของจริงๆไม่ใช่นึกเอานะดูของจริงจรไม่ออกดูไม่ออกนี่ยหัดดูให้ออก ถ้าเราไปนึกคำตอบเอาเนี่ยนะเราก็ใช้ความคิดในการนำแล้วเราต้องดูสัาวะอย่างหนูดูออกแล้วว่าจิตกับความเมื่อยเนี่ยคนละตัวกันร่างกายกับจิตอะคนเดียวกันนรือเปต้องดูไปติยกมือมือเป็นจิตไหมมีจิตอยู่ในมือไหมนะหนูรู้ตรงไปจิ่กายเนี่ยเห็นเวทนาเห็นกายแล้วสังเกตไหมว่านี่ถูกรู้แต่ไม่ใช่จิต ด, ดูออกไหม แนนเล่นอยู่ตรงนี้ไปอะไรๆก็ดูมันไปเรืยมันไม่ใช่จิตอ่ะแยกมันไปเรื่อยเดี๋วันหนึ่งก็เจอจิตเพราะแยกของที่ไม่ใช่จิตออกไปให้หมดซนะของที่ไม่ใช่จิตคือมีอะไรบนะ้างกายเวทนา้รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่จิตแยกมันออกไปเรืยเดี๋ยววันหนึ่งก็เจอจิตเราอยู่ๆเราดูจิตไม่ได้หาจิตไม่เจอจะต้องไปหามันเหนื่อยลนะหามันนานลนะดูลงไป ตรงที่มันไม่ใช่จิตดูไปด้วยเอี๋ยจิตก็โผล่ขึ้นมาเองเมื่อถึงร่างกายเลยนะเม่ถึงร่างกายไวนะ้ไไแล้วดูไปร่างกายไม่ใช่จิตเอนเวทนาก็ไม่ใช่จิตดูไปแยกได้ทานสาขันเลยไหมได้กายได้เวทนาใช่ไหมแล้วก็ได้วิญญาณละขันเลยได้สามมันลนะแล้วก็ความคิดเป็นจิตไหมดูซิ แบบคิดนี่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมเห็นชัดเห็นชัดมันถูกรู้ทั้งหมดเลยอะไรถูกรู้นะไม่ใช่จิตเนี่ยแนแยกไปด้วยปฏิบัติโดยการนั่งแยกมันอย่างนี้แยกไปแยกไปบางคนใช้วิจีนี้นะแยกแยกแยกหลุดเลยก็มีที่พระป่านิยมใช้กันอย่างนี้ทีนี้แต่พระป่าจะคิดเรื่องร่างกายไล่กายไล่กายไล่ไล่กายไม่ใช่จิตสักหน่อยเลยไล่ไปเรื่อยแยกกายกับจิต ดับอากจิตออกมาได้เนี่ยของเราดูความคิดไม่ใช่จิตนะกุศลนะกุศลสุขทุกข์ไม่ใช่จิตดูออกไหมดสุขทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเนี่ยนัแยกไปเลยนั่งแยกมันไปทั้งวันเลยแต่ไม่ใช่นั่งคิดนะต้องเห็นความความทุกข์ไม่ใช่จิตความสุขก็ไม่ใช่จิตคิดดีก็ไม่ใช่จิตคิดร้ายก็ไม่ใช่จิต ความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตร่างกายก็ไม่ใช่จิตอะไรๆก็ไม่ใช่จิตเดี๋ยววันหนึ่งจิตก็ไม่ใช่จิตหรอกทําไมจิตไม่ใช่จิตรู้ไหมเพราะว่าพอสังขารไม่เข้าไบปรุงแต่งจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแม่มันนั่งเรียกเหมันว่าจิตแล้วแล้วก็ไม่ไปเรียกว่าจิตของเราด้วยนั่งแยกทําไมต้องให้แนนทํากรรมฐานชนิดนี้รู้ไหม เราแนนชอบไปแช่นิ่งๆอยู่เวัดใจเราชอบไปแช่นิ่งๆนะต้องย้อนกลับมันแยกมันไปเรื่อยดูมไปด้วยขันท่ามันไม่ใช่จิตไปดูเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็ห อ, อกเองอะ่ะ่างนี้พอไหวไหมถ้าเอางนนะลองไปทําดูที่ผ่านมากําลังไม่พอจะทําตรงนี้ด้วยไหมนะอันนี้ไปอยู่วัดมาได้บุญมาแนละ้ว ได้เดียวได้แรงแล้วลงมานั่งแยกแยกง่ายถ้าแหลงไม่พอแยกไม่ออกนี่พระป่าท่าแยกกายมาอย่างเนี้ยผมไปทางขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคนที่เรียนทางอะพิธามก็ไปเข้าใจว่าพระป่าที่เป็นทั่งคิดเอานังคิดเอาใช้ไม่ได้ไม่ใช่วิปัสนาความจริงพระป่าไม่ใช่ต้องการคิดเอาหรอก ท่านต้องการดูลงไปเรื่อยจนกระทั่งเห็นกายเนี่ยมันไม่ใช่เราจิตมันอยู่ต่างหากที่ท่านแยกกายแยกจิตออกมาแล้วก็พอแยกกายได้ก็แยกเวทนาได้อีกเสร็จแล้วก็แยกสัญญาได้อย่างนี้มันเรียกว่าผมเพราะสัญญาเรียบสนาทมันเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังนี่สัญญาทั้งนั้นเลยแยกสัญญาออกไปอีกส่วนนี้สุดแยกรูปแยกนามออกไปหมดอะไรความคิดกุศลไม่กุศลเ้าใครเป็นเจ้าของรถไป เดี๋ยวเขาจะมางัดรถออกหลักปฏิบัติเนี่ยมันอันเดียวกันนะเริ่มต้นของนิปั ส, สนาเรื่องว่านามรูปป ร, ริเฉตยานแยกรูปนม้มมีวิธีที่จะแยกเยอะแยะแต่ใจลอยแต่ใจลอยแล้วแยกไม่ออกสังเกตไหมใจลอยแล้วเราถลบมไปในความคิดเราก็รู้ทันถลัม ควาคิดไม่ใช่จิตอันนั้นก็ไม่ใช่จิตอันนี้ก็ไม่ใช่จิตนะอ้าวไม่ใช่ข้างจุญแจเหรอเห็นไหมเสรีไปรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมได้แรงแล้วไปอยู่วัดมาไม่เสียเปล่าไม่งั้นตายแตะเลยไม่เคยมือเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมมันหนีไปได้ แป๊บหนีไปรู้ทันแป๊บหนีแล้วรู้ทันฝึกไปเรยอยางที่สุดเราก็าเอาจิตของเราออกมาได้เริ่มไปแชร์และดูกออกไหมเออัดแยกอย่างนี้นะแยกขันท่าไปก็ได้เป็นเป็นแท็กติกะนะไหมล่ะไม้แยกออกบ้างไหมบางทีกแยกไม่ออกถ้ามันมึนเราไ ม, น, มนกระจ่ก จมไปไม่ดีเนะแล้วก็อย่าผิดจมเลยโยถอยขึ้นมาไม่เข้าไปข้างในอย่างนั้นธรรมะไม่อยู่ข้างในอย่าให้ใจซึมเข้าไปเมื่อก่อนหลวงพ่อดูจิตชำนิชำนานมากหูตัวเล็กตัวน้อยดูหมดเลยดูลึกรงไป ลึกเลยเย็นยิบเลยลขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมไปสุขท่านดุกเอาท่านบอกเข้าไปทําไมธรรมะไม่ได้อยู่ข้างในของเราสังเกตไหม เ, เวลาปฏิบัติเราชอบเข้าห้องหนเข้าดูลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆท่านบอกธรรมะไม่ได้อยู่ข้างในกิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้นออกมานี่ออกมาลืมตาขึ้นมานี่ตากระทบลูกกิเลสก็เกิดแล้วถ้าหลับเข้าห้องในไปใช้ไม่ได้ ส่งออกนอกใช้ไม่ได้หลงเข้าส่งในก็ใช้ไม่ได้ธรรมะจริงๆเป็นกลางๆไม่มีนอกมีในหรอกกลางๆคำว่ากลางนี่กลางในทุกๆ dimension นะไม่ใช่ข้างนอกไม่ใช่ข้างในไม่ใช่ดีให้ชั่วเหนือดีเหนือชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดอะไรหรอกไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคต เนื้อกลางๆไม่หลงไปสู่ความเป็นคู่อย่างที่เซนเนียกเซนถ้าบอกตอนเรื่องคู่คู่ทำคู่ธรรมะที่แท้จริงเป็นกลางๆไม่เป็นคู่คู่สังเกตไม่ใจเราจะไหลไปหาสิ่งที่เป็นคู่คู่ด้วยเซนถ้าไม่ฟุ้งซ่านไปก็ก็ดิ่งเข้าข้างไหนไไม่แปรดิ่งก็แปรหนักกดจิตไม่เป็นกุศลแล้วก็ยินดีอยู่ ก็ไปเป็นอักุศตแล้วก็โมโหตัวเองอยู่นี่มีหาแต่ของที่เป็นคู่คู่ที่เป็นกลางไม่รู้จักไม่เอาตรงกลางกลางหลู่เทศบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางผู้นั้นจะคนจะทุกทั้งปวงธรรมะที่หยาบที่ละเอียดธรรมะภายในธรรมะภายนอกไม่ได้เอาตรงนั้นทั้งนั้นอะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลย เราก็รู้ทุกอย่างไปด้วยใจที่เราเป็นกลางๆไว้ใจไม่เป็นกลางเกิดยินดียิรายรู้ว่าไม่เป็นกลางเดี๋ยวมันก็เป็นกลางเข้ามันเองอย่าไปทํานะใจเป็นกลางอะทําก็ไม่ได้ให้รู้ทันตรงที่ไม่เป็นกลางเดี๋ยวก็เป็นกลางไปเองแหละพอจะเข้าใจไหมเข้าข้างไหนไม่ได้นะส่งออกไปก็หลงอยอาที่มันกลางกลาง ไม่ดีไม่ชั่วแล้ววันนี้พวกเราไปพาวนามามันคงจะดีอ่ะหูข้อเทศธรรมะอะไรมันพลึกพลึกเยอะมันวัดได้ไหมแล้วพวกแม่เอาไหนมาเลยนะธรรมะมันก็ออกไปอยู่อย่างนี้นัษปฏิบัติ จริงๆผ่านการฝึกฝนมาเนี้ยธรรมะมันเป็นอีกระดับหนึง่งไงถ้าพรมพราพรมโยว่ายังไงอิดอัดไหมทุกข์ไหมสมน้ำหน้าอย่างไปทำเอง รู้ไหมว่าไปทำมาแล้วมันเลยแน่นเนี่ยจะพยายามทํากันไม่ทํานะพยายามจะไม่ทำเลยโยนมันทิ้งไปจะไปพยายามไม่อ่าไปทำอะไรขึ้นมานนะเริ่มทำแล้วนะพอโยถูกดูไม้เลยห่าบ้าง <c oughs> หนูเริ่มใจรอยไปแล้ว น้องชายนี่ไม่เคะเคยเห็นหลาีแล้วนี่นี่อะไรนัดค่ะนัดเลยค่ะโอ้ชื่อนิยุทธ์นหลัวค่ะหลองพ่อว่าไหลหลอวเลยแนนกับนัดเนี่ยแนนยังมีไม่มากแต่นัดเยอะในร้านทำเนี่ยหลายนัดเนี่ยอย่างนี้ได้จีบสาวเขาไม่ค่อยทรมานเขากำลังเรียนรู้ธรรมชาติอยู่ พอจีบสาวไปเขาก็มีความสุขได้รุ้นพอได้มาจริงๆแล้วก็เวนกรรมของเราไปจีบอยู่ไม่นานนะแต่โอ้กว่าจะปลดระวางยากธอยังเรียนรู้อยู่ นึกว่าสิแม้เหมือนที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้คือเราคิดว่าอะไรบางอย่างเนี้ยจะให้ความสุขกับเราได้เราก็พยายามไปห า, าสิ่งนั้นมาพอได้สิ่งนั้นมาครอบครองนะรู้สึกมีความสุขได้ไม่นานเพราะความทุกข์จริงๆอยู่ที่ตัวเราเองร่างกายจิตใจของเรานะี่ยแหละตัวทุกข์ตัวจริงเราไปแแต้นน้นมานึกว่าจะสุขนานนะ้วไม่นานได้ของอร่อยมาสังเกตมอร่อยอยู่ไม่กี่คำ เอาของที่อร่อยที่สุดมานะให้กินไปเรื่อยๆนะห้าคำอร่อยยี่สิบคำไม่อร่อยแล้วสามสิบคำจะอาเจียนแะล้วไม่อร่อยเลยเข็ดไปอีกหลายวันเลยเนะี่ยเพราะว่าตัวที่เป็นทุกข์นะั้นมันคือตัวเราเองเราจะไปเที่ยวหาสิ่งอื่นมาโดยหวังว่ามันจะมีความสุขจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติแตหาเป็นไรเดี๋ยวก็ทุกข์เองเนะ่ย เป็นตัวของตัวเองนะสบายเนะห่วงคนอื่นเป็นทุกข์เหงนเกล็ดไหมบางทีเราก็นึกห่วงเขาเนี่ยเราไม่ห่วงตัวเองละเราห่วงแหละเขาแหละถ้าเขาอยู่ได้ดีเราก็ไม่ห่วงเนี่ยคิดอย่างนั้นสิคนที่น่าห่วงที่สุดไม่ห่วงโอหน้าห่วงที่สุดเลยอย่างคนอื่นนะเราบอกโอ้เดี๋ยวไม่มีเราดูแลไม่ทำอะไร หายลําบากลาบนอยู่ว่นี้ความจริงไม่มีใครดูแลใครมันก็อยู่ไม่ได้ตัดทางปล่อยวัดไปอืมอะไรนะเราก็อยู่ของเราสบายห่วงกันไปก็ห่วงกันมาเราก็ห่วงเขาเขาก็ห่วงเรา ไม่มีใครมีความสุขกพีินะอยู่ที่ใจเรานะศึกษาอยู่ที่ใจเราคนอื่นไม่สำคัญหรอกเมื่อก่อนมาจากไหนยังไม่รู้เลยมายุ่งกับชีวิตเราอยู่ช่วงเดียวเรื่องอะไรมาเป็นภาระให้เรามากมายมไหนงก็ไปซะก็คิดแค่นั้นไงท่ ค้นๆไปเขาก็ห่วงกันเออนั่นน่ะสิถึงบอไงห่วงกันไปห่วกันมาเราก็ต้องมีปรามสุขด้วยตัวเองให้เขาเห็นให้ได้รวนเขาอ่ะบวดจะไปบวชบวชแล้วจะรอดไม่รอดจะไม่รู้เลยเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเขาเองให้เห็นว่ามีความพร้อมที่จะบวชจริงๆไม่ใช่มีศรัทธาวุ่นวุ่าว่าวัเดี๋ยวก็กลับมาให้เราเลียงอีก บอกเลยนะไม่เอาแล้ท่านได้โอกาสความผูกพันนะแก้ไขยากแล้วห่วงกันไปห่วงกันมาแก่ยากเมื่อวานอาจารย์สุจินทร์ท่านมาท่า น, นก็เทศแนี้ครูบาอาจารย์สอนไม่ทีนึงนะบอกว่ามีลูกเหมือนห่วงผูกคอ มีเมียเหมือนห่วงผูกมือมีทรับสมบัติเหมห่วงผูกเท้าคนเรามีห่วงสามห่วงไี้ห่วงสามห่วงนี่มันมันมดไม่หลวมๆมัดแล้วเราไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนน่ะในการที่มีไอ้ห่วงสามห่วงเนี้มันมันมดหลวมๆแต่ยิงๆๆย่งดิ้นยิ่งเน้นเน้นภาวนาให้ดีเนาะ งนแล้วเรามีความสุขของเราได้พอเรามีความสุขของเราได้อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ได้ไม่ต้องห่วงครูบาอาจารย์หลายท่านหลวงพ่อมณีตบไอซียูไรนั่นก็ทำได้ต่างคนต่างภาวนาพัฒนากันไปได้เสร็จแล้วก็ดูแลกันได้ไม่จะ ด, ดูแลกันไม่ได้ พ่อคเหมือนกันแล้วก็ทำของเราได้พัฒนาของเราได้ดูแลกันได้ด้วยแม่ทำไม่ได้หลวงพ่อบนรีสอนถึงขนานี้คุณตามววเช้าเ้าเนี่ยนะก็ไปถามเขาหน่อยว่าเป็นยังไงภาวนาดีไหมตั้งใจทำก็นะนบอกให้ไปบอกปีกาอย่างนั้นคอยเชีย มีครูบาจารย์หลายองค์ท่านก็ดูแลบางองค์ชาตินี้ไม่ได้แต่งงานแต่ว่าเป็นคู่บารมีท่านมาแต่ชาติก่อนก็มีท่านก็ดูแลกันวัดที่เราไปมาก็มีม่นก็ดูแลกันได้แล้วก็ไม่เอาความห่วงใยมาเป็นเครื่องถ่วงขึ้นกันแล้วกัน มาถ่วงความเจรือซึ่งกันได้กันโ ย, ยมแล้วเป็นโยมประชากขึ้นไมีเยอะนะหลายองถึงแต่ท่านไม่เล่าให้ฟังนนะึง <c oughs> อีกองคหนึ่งดูเดือดแเก็พเพื่อกิดซิเป็นชาวตาบถึงห้างไว้เงี้ย ยังกะใครก็ไมาข่มขืนเราข้ออ้างนะก็บอกไม่อ้าวผมจะบวชก็ก็ไม่บอกอย่างนั้นไงอยากอยู่กับโลกไม่อยากบวชอยากอยู่ในโลกแต่ต้องไม่อยากคลองเดือนเป็นคนคล่งพระไปเรื่อยเรื่อบากพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีเข้ามาดูเครื่อง้ เดินไปเดี๋ยวมันแง่แงประตูแ้วเหลือตรอบเดี๋ยวปิดคันเดี๋ยวมันแง่ตรงนี้วิญญาณปิดันดีแล้วไปวัดมาจิตใจเบิกบานมีกำลังแต่เดีต้องกลับไปเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแต่มันได้แรงไปช่วง นะมันมีความชุม่มฉ่ำกลับไปทำงานสู้ได้อีกแต่แนวพยายามใช้กำลังช่วงนี้แยกเรื่ยนะดูไปเรื่อยเลยกายไม่ใช่จิตความเมื่อยไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะยแยกไเรนะือยอย่าไปดูเฉยเฉยอย่าไปอยู่เฉยเฉยนั่งแยกออกเพราะเราเฉยแล้วเราติดเฉยของเราออย่าไปแยกนะ ดูเฉยๆเหมือนชอบฟังรุ่มฟังธรรมะนี่เวลามาเรียนไหนคนมันยุ่งอย่างเงี้ยสอนคนนี้คนหนึ่งกําลังดีเลยนะพอฟังไปอีกคราวึ็กลับมาเอ้าทําไมเละอย่างนะ้นก็ได้ยินหลวงพ่อสอนคนนั้นเรศเราทําไมไม่เป็นอย่างนี้ชาวบ้านเล่นส้เล็กอย่างเงี้ยทางใครก็ทางคนนั้นไม่เหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าทางใครดีทางไครไม่ดีนะ แต่ละทางมันก็เหมาะเฉพาะตัวนีม่มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดแยกเอานะอย่าอย่าไปติดเฉยอย่างเงี้รู้ไหมจิตมันติดเฉยอยู่นะอย่าให้มันไปติดเฉยหลวงมั่ม่านเขียนกรอนไว้กันมนาะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยอะไรนะให้ออกมาค้นคว้าพิจะะารณามาคิดเลยเนะี่ยดูลงไปนะไม่ใช่คิดๆนะนะดูลงไปจริงๆ ร่างกายมันเป็นจิตไหมไม่ใช่อ่ะถูกดกมมออกกูความเมื่อยอยู่ในกายเนี่ยเป็นกายไหมความเมื่อยก็ไม่ใช่กายดูให้เห็นจริงจความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตดูไปแล้วหนึ่งพยายามแยกไปกจิตจะได้ไม่ไปติดความเฉื่อยตอนนี้เลยจิ้วเลยก็คปอยๆทำไปเนิบๆไม่ต้องทําติ้ึๆนะ เราเริ่มเรื่อยรู้ชอบลุยเอาเยอะๆท่สุดใช่ไหมค่ะไม่ทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆไม่ใช่ว่าต้องทํำเร็วๆนะเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปนี่จิตไม่ไม่มีแรงค่อยๆดูดูให้เห็นสภาวะอยู่ความเมื่อยก็ให้เห็นความเมื่อยจริงๆดูไปด้วยอะไรความเมื่อยกับจิตเนตพละฮารนกันดูให้เห็นจริงๆพอเราเห็นทุกอย่างไปเรื่อยๆนะวันหนึงเราเห็นจิต นี่คนที่เดินวิจีเนี่ย แ, แยกไปเรื่อยเนี่ยบางคนพอเห็นจิตนิดเดียวก็ขาดเลยก็มีไม่ใช่ว่าแยกตรงนี้แล้วต้องไปเดินอย่างคนอื่นต่อนะไม่เกี่ยวกันเลยทางนี้ปลายทางเป็นลมที่เดียวกันไม่ใช่ว่าทําอย่างนี้นะเอาเป็นอย่างนี้แล้วมันทําอย่างนี้นะนไม่จําเป็นหรอกนั่นแยกเองแยกไปเรนะ่เดินได้ตลอดสายด้วยซ้ำ ถ้าดูเฉยๆมันจะยกได้ไหดูเฉยๆมันแล้วแต่ว่าดูถูกไหมค่ะถ้าดูล้อนใจไหลไปแปะอยู่ข้างนอกเนี้ยนะป้องไม่ได้มันหลงหลงไปจิตความเฉยๆอยู่อย่าไปจิตความเฉยนะฮะถ้าไปแปะอีกแล้วรู้ไหมเอออเงี้ยดูแปะทีเดียวก็แปะแปะแปะอย่าถล่มอย่าไปแปะดูเล่นๆอย่ากระโจนลงไป เห็นไหมไปวัดมาแล้วมันดีอย่างเงี้มยมันเรียนรู้เรื่องค่ะได้แรงหลวงพอถึงบอกว่าไปวัดก็กลับมารีบมานี่ก่อนนะ <c oughs> อย่เพิ่งกลับไปทำเงนินอยู่เล่นอีกค่อย่างมันยังไม่ได้เข้าใจอะไรตอนนี้เข้าใจเยอะขึ้นยังเข้าใจเยอะขึ้นมากค่ะเนี่ยดีแล้วแหะเนี่ยตีแยกสปเนะถ้าเราไม่ตีแยกอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ไปแก่ไว้ อยากมีอยู่วัดตลอดอ ย, อยากอยู่วัดตลอดไม่ได้เพราะว่าพออยู่นานกว่านี้นะจิตจะกลับไปเหมือนตอนอยู่บ้านา ก, การอยู่วัดนานๆไม่ใช่โซลูชันไม่ใช่เลยอยากเปลี่ยนงานด้วย น, นเอออยากปี่นงานได้งานนี้หนักไปอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะไปทำน้ําเต้าผู้ขายอะไรก็ได้สบใจ คนนี้ไปล้างถ้วยด้วยกันนะิดโรงเรียนไปแล้วรวยเกินไปแนละ้วเก็บตังค์ไม่ได้ค่ะ ใ, ใช้เงินเ <c oughs> ยอะงันหนักนะนกต้องใช้ตังค์เท่าไหร่คะยออที่จะ อ, อยู่เฉยๆดมต้องทำงานได้อยู่บ้านก็สลับไปบวท์ห้อ อ, อ, อพูดยากนะ มันต้องคำนวณตั้งแต่ว่าอายุฐานอายุของเราขนาดนี้เออ worst case หว่าตายเก้สิบะคับเออคิดแก่สุดแล้วก็รายได้เนี่ยมันไม่ใช่เอาไปเหมือนคนโบราณมีเงินไปฝากแบงก์กินดอกเ บ, บี้อยอยู่ได้ ท, ทั้งชาติเนนี้ไม่ได้นะอไปแบงก์เนี่ยจะต้องเสียค่าฝากไม่เป็นไปได้เพราะว่าคนไม่ได้ลงทุนด้วย จากธนาคารนะมันลงทุนในตลาดทุนตลาดหุด้นนี่ส่วนมากก็รายเล็กรายน้อยอย่างพวกเราทีเป็นแม่งเม้าเป็นปเบรได้นหนูก็เลยไม่รู้ว่าคิดว่าเอ้ต้องเก็บตังค์ไปก่อนเงี้ไม่รูก้กม่เหียญลอเอ า, าหรือเปาไปือว่ามันก็ต้องเก็บนะเป็นผู้หญิงอนะสังคมมันไม่เลี้ยงเป็นผู้ชายนะมันสารเลวแค่ไห น, ม, นมันบังบวชเขก็ให้กินข้าวนะ พ่ไล่ไปเลยไล่ทับไปบ่อยๆจะดูกระเพ้านะแต่โยมไม่ค่อยดูโยมกินข้าวของตัวเองพรงกินข้าวชาวบ้านันไม่ดีก็ต้องไล่ไปเนี่ย น, น, น, นี่เหรอแม่เขามาบ่อยแล้วเด็กมันคุ้นกับอา วุ้แต่ก็เข็ดแล้วเนี้ยน่นะกลัวผีเอก็คือนนอ้ามันปวดหัวเลยอ้าจะเดินจงก่มก็ไม่ได้ต้องนั่งใกล้ๆภาสายตาไม่ได้ร้องสงข้อไม่เอาแล้ว ก็ดีแล้วล่ะแผ่เมตตาแล้วเขาจะมาอยู่กับเราทำไมเหาก็เป็นทํามาหากินก็ถูกแล้วว <c oughs> ิธีป้องกันงูเนี่ยนะที่ดีเนี่ยไม่ใช่นั่งแผ่เมตตาวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือใช้สติัญญาหลวงพุ่เทศเคยบอกบอกว่าไม่เคยเจอเลยว่างู ก, กัดนักปฏิบัติ เคยเห็นเคยเจอบวชมาหลายสิบปีแต่มนาะทำไมเหรอครับแล้วปฏิบัติมีสติไม่ไปเหยียบมันหรอกมีสติปัญญาแล้วนะครูบาอาจารย์ทำไมไปอยู่กับธรรมชาติสัตว์ไม่ค่อยทำ้ายถ้ารู้จักธรรมชาติของสัตว์เราชอบไปคิดอะไรที่มันเมื่อเวอเป็นอภินิหารไว้ก่ อ, น, นะอนสนใจอะไรที่เกินธรรมชาติ ครูบาอาจารย์สอนการเดินป่าเดินทุงน่งส่วนมากท่านคนข้าง น, นอกนท่ารู้จักป่ารู้จักเขาเยอะอย่างคนในเมืองตามท่านไปมีน ะ, ะักบวชตามท่านไปเดินท่านก็คอยแนะนําเดินผ่านโขงสัตว์เนี่ยเดินลงใต้ลมไปนะสัต์มันไม่ได้กลิ่นมันก็ไม่ทําอะไรรู้จักธรรมชาติสัตว์แต่ละอย่างเสือเนี่ย ถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่เคยถูกคนทำร้ายฉันไม่กินคนถ้ามันแก่หรือมันบาดเจ็บหรือมันเคยถูกคนทำร้ายมันถึงจะกัดคนเสือเป็นสัตว์ที่สงสัยนี่างเห็นเราไปอยู่ในป่ามันจะคอยมาดูว่าไอ้นี่มันตัวอะไรมันมาทำอะไรมันเป็นสัตว์ที่สงสัยไม่ได้ทำมาทำอะไรคนหรอกแล้วก็ ไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์ท่านเล่าบอกว่าเนี่ยเดินจมกรมเสือมานั่งดูอู้ชลอยเสือเทพพ ย, ยดาแปลงมาเนี่ยเขียนอย่างนั้นมันจะได้ขายหนังสือได้หรืออย่างหลปูฟันเนะีพาอาจารย์สมชายตอนนั้นเป็นเนรพาออกทุงไปช้างป่ามาแท่าก็บอกตอนนี้เฉยๆกัอนยังอยู่ใต้ลมไม่เป็นไร นี่พอช้างใกล้เข้ามาลมเปลี่ยนทิศท่านเห็นลมเปลี่ยนทิศปุ๊ท่านเนี้ยวขวาจะลมใชปนะีนขึ้นก้อนหินย่อมย่อมลุกแบบ้นจากช้างแนละ้วนง่วงนะพอช้างเข้ามาใกล้จริงๆนะท่านเอานกหวีดไม้ไผ่มาเป่าวีทำไมสัตว์ป่าพวกนี้ไม่คุ้นเคยเสียงตกใจธรรมชาติของสัตว์พอตกใจนะี่จะวิ่งไปข้างหน้า ไม่มีเลี้ยวกลับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีท่านดูทิศทางแล้วมันไม่ได้หันหัวมาที่ท่านนะวิมันวิ่งพอหัวหน้าวิ่งลูกน้องก็วิ่งหมดเลยครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยลนยะท่านสอนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากของเราล้วนหลังยิ่งยิ่งเป็นวิทยาศาสตนะ ร, ร์ิงโง่หนักเป้นทุกทีแล้วอภินิหารเยอะขึ้นเรืนะ่อยๆอภินิหารเข้าไว้ใช้เมื่อจนตัวจ ร, จ ร, จริงๆเล ย, เลยมันมีนะแต่ว่าไม่ใช่ เราไปใช้ทุกวันเราชอบทำอะไรให้มันเกินธรรมาชาติไหมมันขลังอยู่เ ด, ดินองคูดูนถูกไกวปิดปิดไม่เป็นไรกับจริงๆท่านอาธิบายตามหลักธรรมะคือท่านยังไม่มีอุปาคา่าระกรรมที่จะต้องตายทุกไกวมันก็กิดเขามันลงซอกแขนนะซีวอนขาดรุ่งกระลิ่ง แัห่หลังๆโอ้ประวัติท่านรอดฝนมากเลยแล้วคลากสูงแล้วควายปิดอยู่ตั้งนานไม่ดโดนอะไรเลยเอภิิห า, อานอภิญฐานมันมีเหมือนกันแต่ว่าอย่าอามาเป็นเจ้าหัวใจเรานั่งปฏิบัติก็อ้าเห็นโน่นเห็นนี่เทวดามาเทวดาจริงก็เทวดาปลอม หรื่งไร้สาระจริงกับปลอมมอนก็ปลอมเหมือนกันเนนลยเราปฏิบัติออกมวามพ้นทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติเอาอะไรถ้ามันเกินธรรมชาติอย่างบางคนั่งสมาธิแล้วตัวรอยอมีอย่งท่านอาจารย์สมชายเกาุูกิม อาจารสุจินนั้นเล่าว่าเวลาท่านน่งสมาธตัวท่านลอยได้ไม่รู้ปูเสาอะไรา้ท่านบอกไป็อาการของปีติจิดเกิดจีติมีพลังงานขึ้นมาลอยได้ <c oughs> ลอยเราชนไปดานหนึ่ง <c oughs> ลงม า, งมาตอนที่ลอยครั้งแรกลงมานี่ห ล, ดลุดองไป เพราว่าหลวงปูสั่งเนี่ยท่านลอยขึ้นไปแล้วท่านเอ๊ะเราลอยนี่หว่าจิตถอนจากนสมาธิหล่นตุ้บเลยบกคาเซ็ตตั้งหลายวันวันหลังเอาใหม่นพอลอยแล้วก็ค่อยๆสังเกตท่านเอาไม่ไม่คีดมาถึงวันนั่นพอลอยแล้วท่านก็ค่อยๆไม่ให้จิตท่านเปลี่ยนมากให้จิตทรงอยู่อย่างเดิมแล้วเอาไม่คีดนี่เสียบไว้ที่ชอบใ้หลักค่ะขามุงจากมือเสียบไว้ ค่อยๆกำดดผิดถอยความรู้สึกออกช้าๆแล้วลงมานั่งลงมานั่งถอนออกจากสมาธินั่นก็เป็นโงกดูโง่ไม่ขีดเสียบไว้จริงไม่ครูบาอาจารย์ไม่เชื่ออะไรงมกันต้องพิสูจน์พวกเราเหมือนนิดาเขาวิจัยนะพวกที่เรียนยิ่งสูงยิ่งโง่ยิ่งเชื่อไสยศาสตร์ จะแฝดไว้ละยู่ออกไหมไ ม, ม, มันไม่ทํางานไปเก็ตไหมมันไม่ยอมทํางานดูออกไหมมันไม่ยอมมาแยกไม่ยอมทํางานนั่นเลยมันไปแปะไว้เฉยๆนั้นแนมติดอยู่ตรงนี้เป็นดีไหมะนะจัดการกับมันสะเยอะมาไมต้องไปอยู่ตรงนั้นรู้ไหมเพราะโลกนี้มันทารุณมากแต่อยู่ตรงนี้แล้วมันสบายเลวเต อ, อ <c oughs> นะก็ดีกว่าคนติดติดยาแหละ แต่ว่ามันแบบเดียวกับคนติดยาไม่ก็ไงเอ้าถามอะไรดิไม่มีแล้วครับมีนั้นเหรอตมีคาถามก็ถามไม่กล้าถามถึงชอมีไม่ถึง20คาถามค่ะคือเมื่อกี้แบบโอ้โหถามดีไหมเครียดเลย ไม่คอ่อยเห็นค่ะจิตตั้งมั่นคืออะไรคะคื อ, อตตั้งมัน่นเอออย่างเงี้ยดีทานงเี้ดีดได้เรื่องได้ราวจิตตั้งมั่นคือจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่มีสัมมาสมาธิไม่ใช่จิตที่สงบนะต่เป็นจิตตั้งมัน่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขณะที่มันรู้อารมณ์เนี่ยมันไม่ไหลาตามอารมณ์ไปอย่างพวกเราเวลารู้อารมณ์เนี่ยจิตเราไหลาตามอารมณ์ไป อย่างเวลาเห็นคนเดินมาใจเขาไหลไปอยู่ที่เขาไหลไปทางตานั่งเฉยๆก็นั่งคิดใจไหลไปอยู่ในความคิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะใจไหลไปใจไม่ตั้งมั่นทันทีที่จิตไม่ตั้งมั่นหรือจิตไม่มีสัมมาสมาธิเนี่ยนะนะสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวจะไม่มีเพราะว่าสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวปัญญาปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมีใจที่ตั้งมั่นเป็นเกตไหมเข้าใจเราตั้งมั่นไม่ไหล พอเรารู้ทันว่าไหลปุ๊บสติรู้ทันว่าใจไหลแต่ตรงนี้จําให้ดีนะเดี๋ยวแปลงให้เพื่อนฟังมั่นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นใจใจพอรู้ทันว่าไหลปุกมันจะเลิกไหล ท, ทันทีมันจะตั้งมั่น ง, งั้นสติที่รู้ทันความไม่ตั้งมั่นเนี่ยจะทําให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นจิต ท, ที่ตั้งมั่นทันทีที่จิตตั้งมั่นหรือมีสัมมาสมาธิจิตจะเกิดความรู้สึกตัวขึให้ความรู้สึกตัวเนี่ย เกิดจา ก, กิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเกิดได้สองวิธีถ้าวิธีของสมถะก็คือทำฌานไปเลยจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นถอยออกจากฌานมารู้โลกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตไม่ไหลไปนี่แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่ ง, บบงใช้สมถะไม่ไหวทําฌานไม่ได้ใช้วิปัสสนาไปเลยใช้สติระลึกรู้ทันความไม่ตั้งมั่นของจิตจิตไหลไปทั้งตารู้ทัน อย่างหลงไปแล้วหลงไปมองลูกแล้วใจหลงไปที่มองคิดอยู่ใจหลงไปในความคิดรู้ทันที่ไหลไนปะสติรู้ทันถ้าความตั้งมั่นของจิตจะเกิดถ้าจิตตั้งมั่นเกิดปุความรู้สึกตัวจะเกิดอย่างของแมงเนี่ยไม่ใช่เรียกจิตตั้งมั่นเป็นจิตสงบเพราะอะไรจิตมันไปนแปะอยู่ข้างนอกนะมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันไหลออกไปแต่ว่าแบบ สองวิธีที่ทําให้เกิดสติตั้งมั่นแบบที่หนึ่งก็คือว่าสติตั้งมั่นจะคงได้ตลอดระยะเวลาหนึ่งหรือว่าก็เกิดแค่ชั่วขณะเดียวค่ะจริงๆความตั้งมั่นเนี่ยถ้าอยู่ในฌานมันก็ตั้งยาวเป็นอัปปนาสมาธิพอเอามาเป็นอุปจาระแต่ตัวที่ใช้เจริญวิปัสสนาคือคณิกาสมาธิตั้งทีละขณะหลายไปยุ๊บรู้ทันว่าไหลตั้งนเป็ขณะขณะแั่นแล้วพอแล้วแล้วที่ใช้จริงๆใช้ตัวนี้ ใช้คนณิกาสมาธิอื่นี้ตัวอื่นเป็นตัวพ<ม>ักผ่อนยัางไงจิตตั้งมั่นดีตรงตรงส่วนอุปจาระจะเป็นส่วนที่พักผิดแน่เลยนะครับส่วนว่าเป็นส่วนที่ทํางานตรงอัปปนาะเป็นที่พักตรงที่ออกรู้ออกเห็นออกคนน้นวปัญญาในสมาธินะแล้วจิตออกไปรู้ไปเห็นหเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาดูเนี่ส่วนใหญ่อยู่ในอัออปปุจาระ เพรนั้นถ้าถ้าคนที่ครูบาอาารย์สอว่าพักผิดเข้าสู่ความสงบนั่นจากใช้ปัญญาพิจารณาเออใม่เข้าปัญญาต้องชอบปัญญาเออแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเข้าไม่ได้ก็พักโดยการพักในที่ที่เราพักได้พักแบบไม่มีข้ลืหานอยู่พักกระท็อก็ได้เพราะไม่มีค้ืหานอยู่ดูท่าบาๆเออดูไปเบาๆดูไปสบายส ก็ถามดีแล้วข้อสองรู mantra, ้จักอย่างจิตทั้งมั่นหนูต้องรู้สภาวะนะถ้าเกิดว่าหนูดูท mhm, ี่หลวงอาบอกในแรกก็จะเกิดความรู้ตัวได้บ่อยขึ้นใช่ไหมเพราะอะไรว่าไว้ชัวว่าไม่ต้องการให้สงบไปเพราะเวลาหเดินจงกรมไปเยอะๆเนี่ยหนูก็เกิดมีคำถามขึ้นมาว่าเราต้องเดินไปให้สงบถึงที่สุดหรือเปล่าข้อหมายมันไม่น่า่ยเดินไปแล้วมันรู้ทํากรรมฐานแล้วจิตมันเคลื่อนไปแฝะไว้นิ่ง มันหนีหนีความจริงของโลกควาเหนื่อยงั้นออกมาทำงานอย่ให้มันเป็ น, ปนแปะยกเว้นแต่เวลาจะไปพักผ่อนเอาแล้วฉันเหนื่อยแล้วเพ่นขอไปแปะไว้แล้วทำแต่ให้สบายต้องเบาๆกว่านั้นอีกแล้วจะยิ่งสบายแปะสบาย <c oughs> จิ้มต้องอย่างนี้นะผมรู้แปะแบบไหมเข้าใจไหมสภาวะไม่เหมือนกัน นี่ต้องเปลี่ยนจากนามธรรมมาเป็นรูปธรรมเข้าใจมโนต้องแป้งสบายอย่างนี้ได้พักผ่อนแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไมครับหรือว่ามีได้พักผ่อนก็เป็นสมถะเป็นสมถะแลพระพุทธเจ้าสอนสมถะกับวิปัสสนาไม่ได้สอนวิปัสสนาอย่างเดียวสมถะใช้สัมมาสมาธิไหมคะไม่ใช่เป็นที่พักผ่อนพอพดเรื่องความตั้งมั่ค่ะ มีสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นคอตั้งมั่นจะเกิดเองอย่งนีถ้าหลงเหมือนไปแะ้วรู้ว่าเหมือนจะตั้งมั่นแล้วไม่ต้องทาอะไรทำผิดอีกแล้วทับก็คือไม่ตั้งมั่นอีกแล้วเพราะงั้นที่หลวงพ่อเขียนไว้เนี่ยอย่างนี้เผลอไปรู้ว่าเผลออะใช้ได้คิดไปรู้ว่าคิดเกิดความตั้งมั่นทั้งหมดเลยอย่ยงเวลาไปปฏิบัติเพราะ ตอบ ไ, ได้เพราะผมว่าเวลานั่งสมาธิแล้วก็เกิดเป็นาามากๆนะคะเราพยายามแยกเราพยายามดูรู้เฉยๆว่ามันเจ็บแต่พอถึงขั้นที่ว่ามันเจ็บมากๆจนเราเจ็บมากๆจ น, มนไม่สามารถที่จะดูมันต่อไปได้ ม, มันจะก็สมาธิแตกจิตมันถอนก็เปลี่ยที่ยาก บ, บนไป ก็ถ้าสมมติว่าเราหนีไปเป็นบริกรรมแทนไปภาวนาแทนก็เหมือนกับว่าเราหนีคืาม <ขอ S 1> ก็คือคม ไ, มไม่ดีดีไม่ดีอยู่ที่ว่าเราจะทำสติปัฏฐานหมวดไหนถ้าเราจะทำเวทนานรปัจจนาอย่างนี้นะสู้ตายดูลงไปเลยในเวทนานี้มีตัวเราอยู่ไหมในเวทนานี้มันเที่ยงจริงไหมเนีย่ยปวดมากขึ้นเรื่อยๆ เ, เนี่ยก็แสดงความไม่เที่ยงปวดถึงขีดหนึ่งไม่ปวดนะ นั่งทนต่อไปพอพอมันชามันก็ไม่ปวดแล้มันมันปวดจังเลตอนนั้นใจมันก็แบบเราปวดถึงตรงนั้นเราปวดอ่ะจิตกับอารมณ์ปนกันนะโอ้ยฉันปวดเหลือเกินขาฉันจะหักไหมฉันจะพิการีัเนี้พรุ่งนี้จะเดินได้ไหมใจมันตรุงนะมันเป็นเราปวดอ่ะถ้าหนูฟั้าดูไปปวดไม่ใช่เราหรอกแต่มันปวดจริงๆไม่ใช่ไม่มีมันต้องปวด เพราะมันมีเหตุให้ปวดมันก็ต้องปวดกายเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนวิริยาปวดใจก็ต้องเป็นทุกข์แล้วอย่างเจท่านเรื่องอะไรเมื่อเวลาท่านเจ็บมากๆท่านดูจิตอืนั่นท่านทําจิตตานุปัสสนาถึงบอกว่าเราจะทํำปวดไหนถ้าเราทํากายานุปัสสนามันปวดเหรอปวดก็เรื่องมันฉันก็ขยับไปดิฉันดูรูปยืนเดินนั่งนอนสลักจะไม่ได้ดูเวทนาใช่ไหมจะนั่งอย่างสบายจะรู้ว่านั่ง นั่งไม่ใช่เรานะนั่งเป็นธรรมชาติเป็นรูปที่นั่งอยู่ไม่มีเรานั่งหรอกมีธรรมชาติหนึ่งรู้การนั่งนี้ไปพอมันเมื่อยแนละ้วรูปนั่งดับไปแนะเป็นรูปยืนถ้าดูรูปแต่หากเขาไม่ได้รู้เวทนาจะเอาอะไรล่ะไอพวกรู้เวทนาทักทนเราเนอะดูว่าเวทนามีตัวเราอยู่ไหมเวทนาเที่ยงไหมดูไปถ้าพวกจิตตาเหรอฉันนั่งอยู่อย่ฉันสบาย จิตใจฉันมีความสุขฉันพอใจฉันรู้จิตพอใจพอเมื่อยมากๆจิตหมุดหงิดฉันเห็นความหมุนหงิดอ๋อความหมุนหงิดเชิดแล้วขยับตัวไปความหมุนหงิดดับ<ม>เห็นความหงุดหงิดเกิดแล้วความหงุดหงิดดับนี่พวกจิตตาความปวดก็คือจริงๆแล้วกป็นจิตตาจริงหรือว่าไม่ใช่ถ้าถ้าปวดอยู่นะแล้วก็กลับมาจ้องอยู่ที่จิตเนะี่ยก็ไม่สนใจความปวด จิตรู้ว่าลมได้อันเดียวเพราะงั้นมีความปวดก็เหมือนไม่มีบันถึงว่าหลวงพ่อถึงบอกว่าแล้วแต่เราจะเจริญสติปัฏฐานหมดไหมถ้าเราจะรู้เวทนาเขาููไปถ้าจะรู้หมวดอื่แเราก็ไปรู้อยู่ที่จิตที่กายที่ทำอะไรเข้าไปนี่ใส่ใจกับเวทนาเออมนเป็ละเรื่องกันจริแล้วแต่ว่าเจีวหนูโ ก, กับเลยนะคะพี่บายข้ามใจ หนูสงสัยหนูรู้ไหมอย่างตอนนี้หนูตั้งใจรอฟังคำตอบรู้มแล้วนี่แล้วนี่อะไรเรียกว่าดูจิตเลยค่ะพี่หนะเวลาโกรนรู้ไหมนั่นะเรียกว่าดูจิตอีฉาเป็นไหมอีฉาเกิดแล้วด้วยอีฉานั่นหละดูจิตเหละเพราะทำไมว่าดูจิตเป็นเหตุเดี๋ยวคุ่ยกันนะคะดูวิธไปเพ่งจิต ดูจิตกับเพ่งจิตไม่เหมือนกันนะอาจารย์ตันเนี่ยจะค่อนขอนของพ่อมากเลยแล้วลูกศิษย์องพ่อปราโมดมีแต่พวกเพ่งจิตไม่มีใครรู้จิตเลยยากนะคะเราไปถึงแล้วนั่งเพ่งเพ่งใจของตัวเองเลยมันก็นิ่งๆหมดอนะ่ะงั้นถ้าถ้าเรารู้กายเราก็จะเห็นกายนี้เคลื่อนไหวไปถ้าเราจะดูจิตเราก็เห็นจิตนี้เคลื่อนไหวแต่นี้ทําให้มันนิ่ง มันปรุงแต่งรู้ว่ามันกลุงแต่งมันเป็นยังไงมันดีมันชั่วรู้ไปเรื่อยๆให้มันทํางานไปไม่ใช่ให้มันอยู่นิ่งของเราชอบไปทําให้มันอยู่นิ่งเนาะอยู่ไปให้มันนิ่งอย่างที่หลวงอาแนะนำเมื่อกี้ถือว่าเป็นจิตตาหรือกายาหรืออะไันนั้นเลยเป็นธรามมาตุสศาสนาหรอคะเออเล่นขันห้าเลยมมีทั้งรูปทั้งนามหมดเลย คนัข้อสองค่ะเดี๋ยวจะถึกเทีย่ยงฉันยังไม่มาเลยนะวันนี้นั่แหละเอ<ร>้าหรอมีอะไรหมอไม่ยังไม่มายทั้งมแล้วสงสัยที่ไม่ชิวไรพูดทำไมไม่ถามไม่ชิวไรก็กลัถามมากเนี่ยวัด น, นี้ไม่รู้เป็นยังไงใครก็ไปฟังใครมานะฟังหัวนวดเสงสัยถ้สงสัยก็ไปถามทัานสิ สงบมาเหมือนคู่กบพรนะครับค่ะเอ่อสังเกตว่าถ้าเกิดเราสงบแล้วเอามาดูสงบอยู่บ้างเนี่ยแล้วมาดูจิตเนี่ยถึงจะเห็นได้เดอง่ายแต่ถ้าปกติเนี่ยมันก็น่าจะเราไม่น่าจะทำ สงบได้อย่างที่ว่าเราไม่ต้องทําสงบไงหนูใช้ความฉลาดของหนูนิดหนึ่งห <c oughs> นเก่งนะหนเก่งลงไปเลย <c oughs> ความสงบเนี่ยไม่ใช่จิตนะ <c oughs> ความสงบเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเ <c oughs> นี่ยความสงบอยู่นี้จิตอยู่นี้นั่งรู้ไป <c oughs> ความสงบตามมาความฟุ้งซ่านมาแทนความสงบหนูก็เห็นความฟุ้งซ่านทุกรู้มีสภาวะที่เหมือนกันเลยเพราะงั้นไม่ใช่ว่าต้องสงบแล้วถึงจะเห็น สุ้งซ่านแล้วไม่เห็นใช่เหมือนว่าถ้าเกิดเราไม่สงบเราไม่สงบเราไม่มีอารมณ์มาดูจิตนะคะเพราะว่ามันอะไรเงี้ยถ้ามันยุ่งแล้วก็มันนั่งแยกเหมือแยกกายเวทนาจิตธรรมแยกไปเรื่อยไม่งั้นลำบากก็ต้องพยายามไม่สงบก็ต้องพยายามรู้ให้ได้นะคะ่ใช่ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบพยายามจะดูพยายามจะรู้ก็รู้ว่าพยายามอยู่เราฟังตรงนี้ไม่ดีนะไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าไม่สงบ ก, ก็พยายามดูไม่ใช่ไม่สงบให้หนูรู้ว่ามันไม่สงบถ้าหนูพยายามจะไปดูความไม่สงบ ก, ก็รู้ว่าพยายามจะดูรู้ยายาให้ถ่ายเมือกี้เออเมือ่อค่ะก ถ, ถ้าเราเราเห็นความไม่สงบความฟุง้งซ่านเกิดขึ้นนะเราไม่ต้องไปพยายามดูมันเรารู้ว่าตอนนี้กำลังฟุง้งซ่านแต่ถ้าใจเกิดความพยายามจะไปดูความฟุง้งซ่าน รู้ว่าพยายามนะไม่ต้องดูกว่ามุ้าเลยความพยายามขอเชนหาโรมล่าสุดดูไอตัวล่าสุดไปตัวปัจจุบันค่ะนะต่อไปนี่เดี๋ยวคนะ่อยถามนะจดหมาแบบอันนี้จะถามรายละเอียดเรื่องเงินในกองกงมาอาจจะต้องถามเนาะงอวัยหรือว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดหนูพบว่า การเดินตรงกงเนี่ยถ้าเกิดลความำิดก็ผิดไปเรื่อยๆก็เลยอยากจะทําให้ถูกไปเลยอ่ารขึ้นเดินค่ะเปลี่ยนคําถามก่อนเถอะเลยค่อยสาธิตนะเราควรจะเดินแบบเอาจิตแนวกับเท้าไม่ควรไม่ควรเหรอคะเพราะว่าเป็นสมถะค่ะเอาความรู้สึกตัวทั้งตัวดีกว่ารู้สึกตัวตึงมากกวากายทั้งกายก็เป็นสมถะค่ะอืม ร้วคือเมื่อไดนูตจับหลักตรงนี้นิดนึงนะ <Okay. S 2> ถ้าเมื่อไรเกิดความจงใจจะทาอะไรสักอย่างไม่ใช่วิปัสนาจงใจจะไปรู้ที่ท้าไม่ใช่วิปัสนาจงใจจะรู้ทั้งตัวไม่ใช่วิปัสนาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่รู้ตัวทั้งตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมมันเป็นสภาวะของจิตใจที่มันเอเลเลส มันพร้อมที่จะรู้ทุกอารมณ์ที่เข้ามาทางทวารทั้งหลายรู้ไป็นตาธรรมชาติธรรมดาถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นภาวะแห่งความไม่เกลือเท่านั้นอ้าไปเดินไปเห็นไหมตอนนี้เริ่มทำใจขึ้นรู้ไหมเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย มันผ right. oh no, no, oh, right? oh, ิดแล้วเอาไหมหนูเริ่มสำนรวมใจแล้วรู้ไหมนุชเออระโดรดเต้นไปก่อนวอมวอมอาวอมไว้ก่อนอ้าวยืนอยู่กับที่ทำใจให้สบายจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงเลยอย่าให้จิตใจเปลี่ยนแปลงนะใจสงสัยรู้ไหม แล้สงสัยรู้ว่าสงสัยอ้าวลองเดินสิอย่าให้ใจเปลี่ยนนะเริ่มเอาไปแปะแล้วรู้ไหมด <c ười> ูออกไหมอย่างนี้แหละที่ว่าผิดอ่ะนะฟ <c ười> ินหมดเลยหอะหยุดหยุดหยุดใช้ยยยยยยก่อนทาความรู้สึกตัวให้ดีก่อนรู้สึกตัวนะแล้วค่อยหันมาหันมาแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ ให้สบายทำใจสบายๆรู้สึกตัวไว้แล้วค่อยเดินใจมันเปลี่ยนเวลาเดินอ่ะรู้ไหมเห็นไหมจิตมันเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นหน้าที่ของหนูนะจิตเปลี่ยนแปลงรู้ว่าเปลี่ยนแปลงรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจหรื่อยๆแล้วก็เดินไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เดินเพื่อให้จิตคงที่เดินเพื่อให้รู้เท่าทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลง แคถือว่าเป็นไม่ใช่อ่ะแนบไปเอาขอาอ<ๆ><ๆ>สำรวมแล้วรู้ไหม <c oughs> นั่นผิดที่หนึ่งหะตัวนั้นอะตัวดีที่สุดเลยแล้วหลังจากนั้นผิดหมดแล้วนะมันคล้ายๆเริ่มต้นเดินทางผิดแล้วจะไปทางเหนือดะเดินลงไปทางสวรรค์ออกอะไรยงี้ ไอ้ยอย่างนั้นเปลอแล้ว <c oughs> ดูออกไหมตอนที่หมุนตัวเนี่ยจิตหนีไปที่อื่นลี่รู้ให้ทันอย่างนั้นนี่แหละคือการปฏิบั <c oughs> ติเพราะงั้นเราไม่งั้นเราไปเดินทั้งวันเลยแต่จิตเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหลุดไปหมดเราไม่รู้เรื่องเลยใช้ไม่ได้หรือเดินทั้งวันใลยจิตขื่อนิ่งอยู่กับที่เลยใช้ไม่ได้ถ้าเราจะเดินจับรู้ตัวตลอดคงไปเดินไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หนูไปดูตรงที่เปลือยตรงเปลือ <c oughs> เรลอรู้ท well. we like oh, ันไวๆเผลอรู้ให้ไวเห็นไหมหลวงพ่อสอนอยู่เรื่องเดียวว่าเผลอรู้ไวๆไม่เคยสอนนะว่าอย่าเผลอทำไมไม่สอนว่าอย่าเผลอเ้ราเราไม่ใช่ปลาหันเราต้องเผลอเผลอคือความจริงของเราพอจะดูออกไหมว่ามันผิดตรงไหนพอจะดูออกไหมมันเริ่มผิดตั้งแต่เริ่มจะเดินนล เหมือนก็ก็ทำนองเดียวกันมันเริ่มผิดตั้งแต่เริ่มนั่งอแล้วต่อไปนี้นั่งสมาธิ <c oughs> เป็นอย่างนี้หมดลเลยร้อยละร้อยเลยไม่ได้เรื่องหรอกมันหลงไปตั้งแต่เริ่มพอจะเดินจุกลมพอกายสาระไม่เอาเองแล้วท่านนั่งสมาธิแบบตามดจ็ตของ ทีนเห็นว่าจะให้เริ่มทำสามอย่างคือเรื่องจากที่พุโทโธที่ลมหายใจแล้วก็มีสติไปกำกับพุโทโธ<ม>แล้วก็มีจิตไปกำกับประเด็น<ม>ว่วจงจิตไปกํากับสตินะั่นนะเป็นตัวสัมปชัญญะค่ะแล้วอย่างนี้นี่เรียกว่าเจอสมถะหรือว่ามีวิปัสนาคะตรงมีสติกำกับพุโทโธเป็นสมถะตรงมีสัมปชัญญะไปรู้ทันว่าสติกําลังกำกับพุโทโธนะั้นเป็นวิปัสนาก็คือทั้งสองอย่าง และทั้งสองอย่างอยู่ที่อาการของจิตเพราะฉะนั้นอย่างเราเห็นคนนั่งเนี่ยถ้าเราไม่มีเจโตรปริยญาณเราบอกไม่ได้ว่าเ้าทำสาามาธิหรืวิปัสสนามันอยู่ที่ว่าจิตในขณะนั้นมีสติอันเดียวไปจับกหนด อ, อารมณ์หรือมีสติสำให้ชัญญะสำให้ชัญญะเป็นความรู้สึกกลัวเกิดจากสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นไม่ถลําลงไป สติเกาะ อ, อารมณ์สติเท่งอารมณ์เป็นสมชาี้ใจจะถลำลงไปเกาะ อ, อารมณ์ไม่มีความตั้งมั่นถ้าถอยมาดูว่าสติเรากำลังกำกับอะไรสติอยู่ที่พุโทโธรู้ทันจิตไม่มีสติแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันรู้ทันรู้ทันนั่นแหละคือตัวปัญญาแลนั่นแหละตัววิปัสนาพอรู้ทันแล้วมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นธรรมชาติล้วนๆเลย ากายนี้ทํางานไปเคลื่อนไหวไปเนี่ยก็เป็นสัก์แต่รูปมันทํางานเป็นธาตุเป็นขันธ์มันทํางานไม่ใช่เราจิตไปรู้อารมณ์จิตไปคิดนึกปรุงแต่งก็เป็นนามเมือนรู้นามมันคิดไม่ใช่เรารู้เราคิดเรจะเห็นของมันเองอมันจดมันตั้งเยอะมันเป็นไง น, นะอ่นะานสอง สัซ้ำซากๆที่ว่าหนีไปบริกรรมพุทโธแล้วก็หนีว่ารู้ที่ลมหายใจพยายามไปรู้ที่ลมหายใจเทนยี่ไปจับลมก็เรียกเป็นจิตไม่ใช่จิตตาแล้วสมถะเราไปจับลมแต่เรารู้ธรรมดาถ้าไปรู้นั้นแล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้มันหาใจไปธรรมชาติรู้อยู่ต่างหาก็ใช้ได้แต่อานาปานสตินี่เป็นเรื่องทํายากมาก เป็นกรรมาฐานของของยอดมนุษย์งั้นเวลาทำแล้วขำลังง่ายไหนเราทำที่อนาปนสาาติที่ว่าหนีเวทนาแล้วสมมุติตอนนี้เมื่อยมากแล้วหนนะีมาทำอนาปนสาาติเนี่ยขาดสติแล้วนั่นไม่ใช่อนาปนสาาติ พยายามน้อมใจให้เบาอรู้ไหมนะน่ะนะปลอมนะเห็นไหมอาณาคาณสติจริงๆนะหมายถึงวนะ่าให้เรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่หายใจไปเพื่อน้อม <c oughs> อย่างเงี้ยไม่หลอมไหมมันไปถึงก็เริ่มน้อมนะ อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นสมถะย า, ากหน้าอนาพนาสัสสติบางคนถึงขนาดบอกว่ามันเป็นกรรมฐานของมหาบูรุษหลวงพ่ก็เล่นอนาพนาสัสสติตั้งแต่เด็กเลยยิ้มขึ้นมาบูรุษเลยนี่ตั้งแต่เจ <c oughs> ็ดขวบ <c oughs> โลมหายใจมีสองงานนะ หาใจไปแล้วใจเข้าไปเคล้าอยู่กับลมนะเพลิอนอยู่กับลมเป็นสมถะ mm hmm. พอใจเพลิอนอยู่กับลมเรื่องมีวิจารใจระลึกถึงรึกถึงลมหายใจเป็นวิตก mm hmm. พอใจเป็นเคล้าอยู่กับลมแนละ้ว mm hmm. เกิดปีติเกิดสุขขึ้นมาใจตั้งมั่ น, นรู้ปีติสุขไปนี่พอจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเราโยนลมหายใจจริ้งไปเลยเราเห็นปีตินะ เราเห็นปิติเกิดขึ้นมาแรงแล้วก็ค่อยๆสลายไปใจเป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งมั่นอยู่ทั้งไหนปิติดับไปจิตสงบระนับลงมามีความสุขเรเห็นความสุขอยู่เข้ารู้ความสุขไปเรื่อยๆแต่นี้เราไม่ได้สนใจลมมาตั้งแต่ฌานที่สองแล้แต่ความรู้สึกว่ามีลมยังมีอยู่นะฌานที่สามอย่รู้นี้เดียวว่ามีลมนี้เดียวเข้ารู้ความสุขไปความสุขดับไปนะจิตเป็นอุปเกษาแล้วจิตตัดกระแส ไม่ไปรู้ลมแล้วเหมือนไม่มีลมนะ้ไม่มีกายมันรู้สึกมืดมเลยอ้ยไม่มืดไม่เอา ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มืนๆนี่สบายนะรู้สึก <c oughs> พอพอว่าพอเนี่ยไปพอดูลมไปจังหวะหนึงรู้สึกว่าลมเหมือนมันหายไปแล้วเหมือนกับมันเงียบแต่ว่าก็คือสังเกตดูคือยังรู้มีกายไห ม, มยัง แต่รูสึกว่ามันบบาพูดไม่โทรไม่ต้องพูดก็ไดนะ้เอาเป็นว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางถ้าหนูจับหลักอันนี้ได้ก ง, ง่ายหลังแล้วนนิ่งๆรู้ว่านิ่งๆไปนิ่งๆแล้วดีใจว่ามันนิ่งรู้ทันแต่ไม่เป็นกลางอะไรเกิดขึ้นให้รู้ไป ด้วยใจที่เป็นกลางนักปฏิบนะัติน่ะโยนกรงว่าปฏิบัติจิ้งจะได้ไหมเรามาเปลี่ยนเป็นนักปฏิบัติอีกชนิดหนึ่งอะไรเกิดขึ้นฉันจะเฝ้ารู้แตปตามที่มันกําลังเป็นอยู่ไม่ใช่ฉันจะทําอะไรขึ้นมาของเราเป็นนักปฏิบัติชนิดฉันจะต้องทําอะไรทุกอย่างของอย่างเช่นฉันจะต้องทําใจนิ่งๆฉันจะต้องทําให้เบลอ คือฉ mm ันทำทั yup. uh ้ง huh. นั e ้นเลยทำยังไงเราจะเปลี่ยนจากผู้กระทำแล้วมันเป็นผู้ดูไม่ใช่ฉันทำแล้วฉันดูต่างหากฉันรู้ต่างหากเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถ้าทำความเข้าใจตรงนี้ได้การปฏิบัติง่ายนิดเดียวยากเยอะเหง่ายนิดเดียวอมีอะไรยากอีกเยอะอาหามค่ะหลายกี่ข้อ สองกว่มานนมมีเสบายไ่หัก <fish are> <out> <tra k> ไม่มีนวงนวลคำถามถ้าเกิดเดินเยอะๆแล้วเมื่อยอะค่ะก็คือว่าจะพยายามนั่งสมาธิแต่ว่ารู้สึกไม่เวิร์กอย่างแรงอะค่ะเพราะว่าหลับมากเลยเดี๋ยวนี้นะูข้อมูลทีก็เปลี่ยนวนะ่าเดิมให้เดินทั้งวันทั้งคืนตอนนี้เปลี่ยนใหม่บอกว่าเดินสิบห้านาทีแล้วแค่มานั่งก็ได้ <c oughs> เดินเยอะๆมันก็เบลอ ที่จริงก็คือเดินนั่งนอนนะทําไปที่เดินยังพ้นไม่ทราบจะทำอะไรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่านั่งก็จะหลับนูนั่งแยกเหมือนที่หลบงพ่อบอกแยกไปมีงานทําแล้วเกิดอะไรทำเนี่ยค่ะทีเราก็มานั่งทํำในแทนใช่ไหมคะใจจะได้ไม่ไปติดเฉยค่ะนั่งแยกไหมครูบาอาจารย์วัดป่าสอนให้พี่หลังกายก็าเลเรื่องนี้เองลูกสึดไปติดเฉย ติดติดใจนิ่งๆนี่ยก็ลเลยสอนให้ออกมาทำงานแตพอแยกแยกชั น, นิชำน า, น ต, าตาตากระทบรูปูกระทบเสียงสติปัญญามันเดินอัตโนมัติค่ะออังเกตว่าเวลาพูดมันจะมีเสียงเอ็กโซออกมาด้วย ม, มันคืออะไรคะบางครั้งเป็นไงเสียงเอโคในใจปะ่ะ ม, มันเหมือน ไม่ทราบเหมือนกันคะอธิบายไม่ถูกแล้วแล้วหลวงพ่อจะไปรู้ได้ไงแต่ว่าอย่างนี้ก็คือว่าก็เหมือนมองโลกเปลี่ยนไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฤิ์ของสมาธิของสมาธิคือกย่สมาธิคะนั้นสมาธิแล้วค่ะออกมาดูนิดอย่าไปติดเฉยอยู่นะยิ่งดีค่ะไม่เพลินไที่เพลินนันอสมาธิแล้ว ข้อสุดท้ายนี่ไม่เกี่ยวกับการอฏิบติแต่ว่าสงสัยขึ้มามาว่าเวลาที่เราอุทิศ ส, ส, ส่วนบุญเนี่ยค่ะเออเมื่อแกใช้เพราว่าแบบขออุทิศส่วนบุญทั้งหมดนี้ให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้นใช่ไหมคะ ừ ừ ừ. แล้วเคยได้ฟังจากพี่คนนึงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอุทิศบุญทั้งหมดไปให้กับใครแล้วเนี่ยเราก็น่ายจะไม่เหลือเ อ, อ นั่นไม่ใช่ชาวพุทธหรอกที่สอนอย่างนั้นรู <c oughs> ้ไมมบุญเนี่ยมีสิบอย่างเร่บุญกิยาวัตถุสิบมีบุญอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยบุญเกิดจากการอุทิศส่วนบุญท่านเมื่อไหร่หนูห้าวหารอุทิศทั้งหมดไปได้นะมาหน้าตานก็จะน้อยลงนั่นคือบุญใหญ่ฉันทําดีนีฉันไม่ใช่เพื่อจะเอาดีไว้ฉันทําดีเพื่อจะล่ามานหน้าตางตัวเองเยบุญเกิดจากการอุทิศส่วนบุญ ยิ่งให้หมดยิ่งได้หมดถ้าให้แบบหัวงหัวงไว้ก็ได้นิ่มหน่อยใช่ไหมู<ช>ที่ส่วนบุญแบบเลกบบลอือด้วยโลภะกูที่ส่วนบุญแล้วยังเกลือด้วยโลภะนี่ยวเวลาตายแล้วถ้าัวนี้ให้ผลไปเกิดนะจะได้เกิดเป็นคนพิการเชิญจะเกิดด้วย เ, เรียกว่ากูเบกขาสัะนติระณะกูส่วนวิบากจิตฟังแล้วชื่อมันยาวเขางงเขาเป็นว่า ม, <น>มันเกิดจาก จิตที่เป็นบุญที่ไม่บริบูรณ์บุญที่เจอด้วยบาปเขาเล่าว่ามีคนที่เขาเขาโศกคือว่าคือว่าใกล้จะตายอย่างเงี้ยะแล้วเขาอยากจะช่วยเขาเลยอุทิศบุญทุกหมดให้เขาไม่ตายเ อ, อแล้วคนนั้นเขาก็เลยไม่ตายเ อ, อแต่ว่าเขาเองเนี่ยอย่างทยายามแต่ว่าก็เหมือนกับเริ่มต้นสร้างบุญใหม่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยน่ยไม่รู้จักไม่ใช่ชาวพุทธแล้ว เนะื้อเชื่อรักผีลักพีกก่อะไรอย่างนี้นมันไม่เหมือนสตังค์เลยยกให้เข้าไปรับสตังค์หมด <c oughs> บุญเั่นมันเกิดจากอะไรเกิดจากการเสียสละ <c oughs> สละกิเลสของตัวเองได้เท่าไหร่ยิ่งดี <c oughs> ยกบุญให้เขาไปหมดเลยฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะฉันจะทําลายตัวฉันให้หมดอยู่แล้ว <c oughs> ทำไมพระโพธิสัตว์ของจีนบอกว่ากล้าลงนรกเลยนั่นสละตัวเองหมด ย่างั้นถ้าสมว่เราเราแผ้ไปให้หลายหลายคนหนูกลวามันจะไปซอยไปซอยใช่ไหมที่จริงหนูแพ่ไปเนี่ยนะไม่มีใครได้รับหรอกไม่นมียกเว้นพวกที่เป็นเปรดบางอย่างสองสามชนิดเปรตที่ใกล้ๆคนพอ้รครับประตูอะไรเนี่ยเออเปรดอยู่สองสามตัวนี่มันคล้ายๆคนในพวกนี้ นอกนั้นเนี่ยเขาจะได้รับส่วนบุญด้วยการอนุโมทนาเราอ้าวฉันขออุทิศส่วนบุญขอให้ท่านทั้งหลายมารับส่วนบุญพวกเทวดาพวกอะไรพรหมเลยนี่ไม่มารับส่วนบุญอนุโมทนาโห้คนนี้มันดีนะเห็นคนทำดีเราชื่นใจเขาได้บุญของเขาเองบุญเกิดจากอนุโมทนาส่วนเราได้บุญสองต่อเราไปทำความดีเราได้บุญแล้วเราอุทิศส่วนบุญให้อีกเสียสลักเกิดบุญอีก ทีแรกเสียสละวัตถุทีนี้เสียสละส่วนบุญอีกได้บุญสองต่อยบุญเกิดจากการบูที่ส่วนอุศนอีกพวกหนึ่งได้รับบุญจากการอนุโมทนาไม่ใช่เอาบุญของเราไปนะบุญของเราไม่หายไปไหนหรอกยิ่งให้ยิ่งมีเราใส่นนาาก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่จะถ้าเกิดว่ากระืายอาหารจานหนึ่ง<า>เอามามพันคนเอาผ้าไปโลรเมต <laughs> อย่างนั้นซื้อที่ไหนหล่ะ <laughs> เพรงั้นพวกที่อันุโมทมานาจะได้กระสูงกว่าพวกที่รับอย่างสัตว์นรกอนุมโมทนามไม่ได้ไม่มีใครบอกเหมือนติดคุกอยู่สมมตพ่อแม่เราตายไปโกงอาม่าตายไปเกิดจะเกิดเป็นคนแล้วขอให้มารับส่วนบุญใครก็จะมาเขาไม่รู้แต่สมมติเราทำบุญแล้วเราไปบอกพ่อบอกแม่เนาะ นี่หนูไปทําบุญมานะพ่อแม่นึกโมทนาดีใจไม่ลูกเป็นคนดีอ่ะลูกเป็นคนดีลูกไม่เห็นแก่ตัวดีใจไหมคําว่าอนุโมทนาคืออะไรยินดีด้วย congratulation <ur> ยินดีด้วยที่เธอเป็นคนดีเรายินดีที่เข้าใด้ดีเขาเป็นคนดีเราได้บุญจิตใจเรามีความสุขบุญเกิดด้วยวิธีนี้หรือเขาไปเกิดเป็นหมา ใครให้มันรับส่วนบุญมันรับไม่ได้อันุโมษนาก็ไม่เป็นเพราะงั้นสบายไม่ลาบากทางที่ดีนะทำบุญไว้เองเอ่ะดีที่สุดเราเข้ามาคิดไม่ได้คิดหรอกแล้ว่างที่ฉันวมีคนฝากเงินเอาเงินไปซื้อข้าวถวายพระร้านเช้าอย่างนี้เขาที่ฝากเงินมาก็ได้แล้วเขาเป็นได้นะไม่จำเป็นต้องทำอะไรไม่จําเป็นต้องอะไรคือการได้บุญเนี่ยจะสมบูรณ์เนี่ย ได้บุญในสามการก่อนทําระหว่างทําหลังทําเขาไม่เห็นตอนระหว่างทำํำนังบุญเขาแหว่ ง, งนิ่นิดส่วนเราก็ได้บุญขนฝายช่วยเหลือเขาการขนฝายช่วยเหลือเขาทําความดีเป็นบุญที่ช่วยเขาปล้นธนาคารไม่ใช่การช่วยเขาเป็นบุญนะไหมบุญมีทมั้งสิบอย่างให้อ่านเราเองแต่บุญกิาวัตรุึงสิบนะกูศอนจำมาบทสิบไปดูเอา แอสไซน์ให้ถามไ่ถามไม่เลือกม <S 2> <S 2> ีว่าเขาสุดเทียวครับในขั้นวอิษัจะพวกเปลือกหรือตรงไม่ถึงตะปูนะครับนอกเน่เขาไม่รู้ข้อจะงหวเราไม่รู้เขาก็ไม่รับแล้วเปลือกนั้นพกรู้ไม่พวกนี้เขาส่วนมากก็เป็นพวกใกล้ๆมันนึกอยู่พุกคลีกับมันนึกเพราะว่อเขาเในการกระทำทางวัฒนธรรมเขาเข้าใจหรือไมาก็มารอ มารอรับแต่ติดคุอ ก, กอยู่ไปตกนรกอยู่ไม่รับไม่ได้จะเป็นสัตว์ไปเป็นคนก็ไม่รู้เรื่องรับไม่ได้ไปเป็นอรูปปรมไม่รู้เรื่องรับไม่ได้เป็นปรมูขฟักไม่รู้เรื่องรับไม่ได้อย่างตอนที่หนวงอาเซทำบุญไหว้ทีวอลแล้วให้เข้ารู้วันาเข้าได้นั่นเข้ า, า, า, าเป็นที่นั่งด้วยใช่ไหมบริสุร ก, กาบ ร, ริรรนะสุทธิร์กรกษา เกิดด้วยโทสะแล้วไม่ใช่โทสะล้วนนะเกิดด้วยทิฏฐิเป็นคนมิจฉาทิฏฐิพวกอสุรากายนี่มันเกิดด้วยมิจฉาทิฏฐิเช่นบุญไม่มีบาปไม่มีฆ่าสัตว์ก็ไม่เห็นจะเป็นไรพนี้เป็นอสุรากายทายในขณะที่กเป็นอสุรกายตายคือว่ตาตัวยูยยเ่เลยพุกเป็นโทสะ ถ้าร่ายโยนชิ้นไม่เขาไม่ได้ไว้ให้หนูเล่นเขาให้คนทําไม่เป็นเล่นบางมันก็รู้จะทำอะไรค่รู้สึกว่าได้ทําหน่อยทำหน่อยเดียวไงอทําทำเยอะ <c oughs> ของเล่นก็ไว้ให้คนที่ไม่เป็นเล่นคนเป็นแล้วไปเล่นทำไมแ <c oughs> ม้จะแสอยู่แล้วหัวอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคางอ ย, อย่างนั้น <c oughs> แต่มันสบายจริงสบายเป็สมถะมันหนีโลก นั่งสมาธิก็โยนทิ้งไปเลยคือไม่ต้องทําเลยนั่งสมาธิก็เป็นนั่งน่าหมายถึงว่านั่งเจริญสติเอาแต่ว่าถ้าเราต้องการพักผ่อนแล้วก็นั่งแปะไว้ก็ได้ถ้าพักผ่อนเรารู้ว่าแปะอยู่ไม่เป็นไรแต่ปกตินั่งก็เป็นภาระเพราะว่าทำไมด้ไม่ได้ก็อย่าไปทําเลยแต่เดินจวบลมอย่างตะกี้ก็ไม่เอานะเดินให้มันเหมือนที่พ่อแม่สอนเราเดิน พ่อแม่สอนให้เราเดินเราก็แค่ เ, เดินด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปทําตัวเดินอะไรอย่างเงี้ย่เอา น, นะเลียวไหลหลอกลวงตัวเองเดิรู้สึกตัวเนี่ใจเลื่อนหนีไปดดออกไหมไม่เป็นการปฏิบัติมามันได้ผลอย่างนี้แหละมันมีแรงงั้นเรียนไม่ได้สักทีเพราะหนูเหนื่อยเกินไปที่ผ่ามาหนูเรียนเปความอยากที่จะได้กต่มั น, ม, นม่ได้ไทำมันเหนื่อทําไม่ไหว พอลงมืปฏิบัติก็ทาสมถะได้เลยเพราะมันเหนอยแลนูนไม่ไปทางานเหมือนนี้วันทำงานแล้วที่ไปกรัดที่เชียงใหม่ไม่ได้ค่ะก็กลับไปทำพิกรรมต่อแล้วก็ตอนนี้เขาส่งขึ้นมาอที่นี่เยค่ะแล้วทำไมหนูไม่ไปอบรมล่ะหนีมาอยู่ที่นี่ก็ลาที่สองที่สามจะได้ไปอยู่ในัเก้าวัน เดี๋ยวกลับไปบุญจะวาาอีกไหมขอบไม่ได้นะคะเพราะว่าราต้องให้เร็นช่วงเจ็ดวันนะคะออแต่ว่าวันที่สิบสามสิบสี่ตามหาวนชนมาถ้าท่ไปก็ค่อยแต่งตัวก่อนเป็นทางน้นเขาหยิมนิมนต์ไปนิมนท่านไปกะว่าถ้าท่านรับรองอาจารย์สรนเนี่ยในจะได้มีพระดีๆให้คนเชื่อได้งงแ่อาจารย์สันท่านกท่านบอว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้สะดวก คือไม่ใช่ะไรหรอกลูกศิษย์ทางบ้านต่ากพยายามบอกให้ท่านนิมนต์ oh. ท่านหลงไม่ได้อยากนิมนตะ์เพราะท่านไม่ได้อยากรับสืบที่ฟิเศตนี่คนเราไปนอย่างนี้มันต้องมีคนรับรองถึงจะเชื่อได้นะได้ไ s เอสโอออกโดยหลวงตามาหาบัว <c oughs> <c oughs> อะไรก็ไม่เหลวเหลวไหลไหลมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการค้นทุกข์เลยอย่างเช่นการโปรโมดอาจารย์เลยโอ้ยโปรโมดาอาจารย์ฉันมีนชื่อเสียงฉันก็ภูมิใจไปด้วยฉันลูกติดไร้คิดพวกนี้ทำพลาดเสียไปเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวก็วิว่งไปสิลูกติดกับลูกติดอาจารย์ใครจะเก่งเหมืนกันอาจารย์ไม่ได้รู้เรื่องลุกติดตีกัน ล, กล่ากอาจารย์ไปทะเลาะ ก, กัน ถามได้เรื่องอื่นไม่ต้องถามก็ได้เรื่อไย่ค่ะน้่อัเว่ามันปรุงมาเป็นคำวัละค่ะความคิดจะไม่มีสภาวะนะแต่ว่าพอมันคิดแล้วเนี่ยจิตเป็นสุบ้างเป็นทุกบ้างเป็นกุศลบ้างอะกุศลบ้างอย่รู้ทันตรงนี้ข้ามดูสุกับทุกข์ที่แต่างเอาได้ดูสุบทุกกุศละกุศลรู้ทันจิตใจของเรา จิต ใ, ใจของเราไหลไปในความคิดก็รู้ว่าไหลไปตรงนี้สำคัญความคิดไม่มีสาราะเความคิดไม่มีปรมามพ์ความคิดที่ที่ธรรมารมีร่ะเป็นธรรมารมแต่ธรรมารมมีหลายอย่างนะรูปบางอย่างเป็นธรรมารมอย่าง ร, รูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรารู้ว่าเรายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เพราะเราอาตาไปมองไม่ใช่เพราะเอามือปิดจับแต่เรารู้ด้วยใจเง้นรูป อยู่เดินนั่งนอนอย่างนี้ก็เป็นธรรมารมณ์เวทนาทั้งหลายเป็นธรรมารมณ์สัญญาเป็นธรรมารมณ์สังขารทั้งหลายเป็นธรรมารมณ์จิตทั้งหลายเป็นธรรมารมณ์นิพพานาเป็นธรรมารมณ์นิพพานก็เป็นธรรมารมณ์แล้วก็สมมุติบัญญัติกีความคิดทั้งหลายก็เป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มีเยอะไปอ่านาเล่มข่าวเล่ายอย่างเงี้ยเน้อสภาวะคืออะไร แล้วถ้าคิดอคติโสนี้มาก็ช่างหัวมปล่อยน ไ, ไปเล ย, เล ย, เลยปล่อยมันทันผานไปอย่างนี้อย่าไปคิดซ้ำนะไปดูข้อเจ็ดนะข้อเจ็ดเจ็ดจุดสี่เรื่องธรรมานุกรมนะก็ <c oughs> คำว่ารู้ทันความคิดคืออะไรรู้ทันความคิดก็คือที่สํคาคัญที่สุดคือหนูอย่าถลำลงไปในโลกของความคิด อ, อย่าส่งจิตเข้าไปอยู่ในความคิดรู้สึกตัวไว้ อย ก, กระโจนลงไปในห่วงของความคิดนั้นถูกความคิดพัดพาไปเรื่อยๆ ล, ล, ล, ลืมเนืลืมตัวจิตไม่ตั้งมั่นขาดสมมาสมธิก็ขาดความรู้สึกตัว <gt>. พรขาดแล้วมันทุกขขึ้นมาเลอแน่นอนแล้วเพอกระโจนลงไปนะต้องทุกข์แน่นอนไปหลงอยู่ในโลกของความปรุงแต่งต้องทุกข์แน่นอนขนาดจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปยังทุกข์เลยจิตผู้รู้ได้ตัวทุกข์เลยแล้วค่อยไปละทีหลัง เราตรงที่ไม่กระจจนไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเป็นพระอรหันต์นะไปตามลาดับรู้บ่อยๆไม่ใช่ค่อยๆรู้เป็นะรู้บ่อยๆเดี๋ยวบอกหลวงพ่อสอนแล้วค่อยๆรู้แ่งทามั่งไหมทามั่งอะไรอย่างนี้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้ปัจจุบันอืมรู้ปัจจุบันนะหนูจะสงสัยอะไรเ็อมันรู้เป็นแล้วสงสัยอะไร ตัด อ, อยู่ยังทุกข์อู่ยแยวนงใ่ครเขสอนนะให้แยกเวทนายพระพุเทธเจ้าสอน ไ, น ม, นอไม่ที่ไหนว่าวิงาจะก เ, เวทนาป่วยก็ไม่เป็นไรนะลป่วย็จใจหวั่นไหวไหมห<า>วั่นไหรวรว่าหวั่นไหวยังต้องหวั่นไหวอ ย, อยู่เพราะไม่ใช่ภูมิที่จะไม่หวั่นไหวเพราะกายเป็นทุกข์นั่นภูมิผานาคาเนี่ยโอทําไมเราปฏิบัติแล้วยังมีกามอย่งนโย ไอ้ทำไมผมยังมีกามองเพาผมไม่ใช่พระอนาคามีไ อ, อ้ทาไมหนูยังเผลอบ่อยอ้าหนูไม่ใช่พระอราหันนี่เห็นไหมธรรมะมันมีชั้นมีภูมิของมันก็ให้น <c oughs> องรับธรรมจริงเราฝึกปฏิบัติจเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อจะรู้ว่าจริงๆเราเป็นยังไง <c oughs> เอาแค่นั้นจริงๆเป็นยังไงไม่ใช่ทําอะไรให้เหนือจริงนะ โอ้ยตายทุกทุกแล้วกุ้มใจนั่นถูกแล้วนั่นตรงความจริงแนละ้วเพราะว่าในภูมิของเราถึงนี้ทุกแล้วยังต้องกลุ่มใจร่างกายไม่สบายต้องกุ้มใจมีวิธีเดียวที่จะไม่กลุ้มใจก็คือทําสมถะเอาจิตไปแปะไว้กับอารมณ์อื่นไม่ไปดูมันไม่ทุกไม่รู้แล้วว่าความทุกข์มีเป็นการหนีเป็นการหนีไม่หนีนะอยู่าไปหนีมัน มีพระองค์หนึ่งเป็นมาเลเรีย uh huh. เออไปเล่าใชนไหยแล้วก็เข้าฌานนิ่งเหมืงปูมั่นโจวดเลยเราไม่ได้สอนให้เธอไปลือสีนะมีความทุกข์ให้เฝ้ารู้ไปให้เรียนรู้ไปว่ากายนี้พุกจริงๆนะไม่ใช่ทุกเล่นเล่นเลี้ยงมันดีเท่าไหร่เท่าไหร่นะสุดท้ายถูกมันถักหลังเลี้ยงไม่เชื่องกายเดี๋ยวมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายแบบน ห้าไม่ฟังอุกสาเลี้ยงแทบตายเนี่ยนอกใจเราเป็นอาจารย์ดูขอแยกถามเรื่องสังขารนิยมหยาบแล้วก็ละเอียดเรื่องการไม่แยบโอ้ยใช่ผมเกิดเยะคือความปรุงแต่งนะแบบหยาบจะละเอียด ธรรมะจะอยากหรือจะละเอียดจะเป็นภายนอกหรือเป็นภายในเนี่เราถือหลกกักเดียวทุกอย่างนั้นถูกรู้ถ้าเราไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยใจมันไม่เป็นกลางขึ้นมารู้ว่าไม่เป็นกลางพอรู้ว่าไม่เป็นกลางใจจะเป็นกลางทางนี้สังขารจะอยาบละเอียดนะเสมอกันหบทุนเะลิจะสุขจะทุกข์จะ ด, จะดีจะชั่วจะอยากบละเอียดแนะมันเสมอกันโบท สองเองรืกันนี่ารขพระทเจ้าเนชยออี้ความปรุงแต่งมันมีหลายระดับความปรุงแต่งห ย, ยาบยาะอย่างพวกกิเลสหยาบยาปรุงแต่งชั้นกาลางลงอย่างพวกมิวร์อะไรเนี้ยละเอียดเข้ามาละเอียดลึกงไปพวกอสวรรคทั้งหลายหรือความปรุงแต่งพอพ้นจากฝ่ายชั่วขึ้นมาก็ปรุงแต่งฝ่ายดีมีกุศลต่างๆละเอียดกว่ากุศลเลยกนะ็คือสภาวะที่พ้นกวรุงแต่ง ธรรมะ ม, มันมียากมีละเอียดสมอานนะแต่ทำไมคลินี้ไม่น่าจะใช่ครรมะตอนเวลาที่สอเนี่ยหรือา ส, อมมสามสข้าวเพราะเราถือหลักเราปริญาตินหลักไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเพราะครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านไม่ได้เรียนท่านก็ปัญญาเลยสามสิบข า, าวาของเราเราไมีผานศูนย์ คุณเลือกนิ้กพานาเก่งนะนหมูนี้คนประวัตินายเก่งๆเยอะว่าไงขออย่างไม่เกินเวลาแล้วลืมไป <c oughs> ถามโน่นถามนี่เราไปได้แนละ้ <c oughs> ีันก็